วันนี้วันที่15กันฎายคม2553วันนี้อีกไม่กี่วันแล้วก็นาคของพวกเราคิดว่าทุกอย่างคงจะพร้อมแล้วล่ะนาคทุกคนก็คิดว่าถามถามพระท่านดูก็80 90เปอร์เซนแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาซ้อมกันอยู่หลายวัน ก่อนที่จะมาบวชก็ต้องมาฝึกซ้อมซะก่อนซ้อมนาคทำความเข้าใจการฝึกซ้อมนั้นมันก็ลำบากอยู่จุดหนึ่งก็ตรงที่นาคตรงเรียงอายุตรงเรียงอายุคือผู้ที่ห้าสบต้นที่ห0สบก็ต้อง4ี่8บชุดหนึ่ง46 4สี่สห้า สี่สชุดนั่งไล่ลงมาอย่างนั้นอ่ะคือเราจะไม่ข้ามขั้นเวลาเราบวชแล้วผู้ที่อาวุโสมากกว่าเพื่อนก็ต้องเดินก่อนนั่งก่อนเป็นอาวุโสคะเพราะนั้นเวลาเราขานนาคแล้วเราบวชนะคเนี่ยก็ต้องเรียงตามอายุเพราะนั้นการเรียงตามอายุเนี่ยบางครั้งมันก็มีปัญหาตรงที่เสียงเล็กเสียงใหญ่ ทึ่งสามองนะทั้งคอือเพราะมันต้องขานพร้อมกันตอนที่อุปสมบทองค์หนึ่งเสียงเล็กองค์หนึ่งเสียงใหญ่แต่มันไม่เข้ากันเนี่ยพราะนั้นตรงนี้บางครั้ ง, งก็ก็ยุ่งยากสําหรับพระพี่เลี้ยงเหมือนกันไม่รู้จะปรับยังไงมาจึงจะเข้ากันได้องค์เสียงใหญ่ก็ต้องพยายามลดตรงมาองค์เสียงเล็กก็พยายามพูดทำมันเสียงใหญ่ขึ้น่ะ นี่อันนี้คือการฝึกซ้อมแต่ส่วนอัคระหรือว่าส ำ, สำเนียงทานองอันนั้นก็ ค, คล้ายๆกันต้องฝึกหัดใส่แผนน่นอัดใส่แผ่นซีดีไว้แล้วพวกเราก็มาพูดตามแผ่นซีดีออกทํานองนั้นอันนี้ก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่ในการบวชในพระพุทธศาสนาตั้งในครั้งพุทธกาล ในครั้งพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างนี้แต่การบวชครั้งแรกที่ปัญจวคีทั้งห้าบวชกับพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเทศธรรมะให้ฟังพระอัญญโกณณัญญาในจาเร็จพระโสดาบัติพระพุทธองค์ก็บวชให้เอหีพิคุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ทมเราได้แสดงเราได้กล่าวดีแล้วให้เธอประพฤติพรหมวจันทร์เพียงแค่นี้บริขารก็ลองลอยมาแต่ท่านก็ได้บวชพอต่อมาอีกสี่องค์อีกก็เอหิปิโกอีกนะแต่นี้พอต่อมาพระปัญจวคีทั้งห้ากับพระพุทธองค์แยกย้ายไปคนละที่ละทางกัน แยกย้ไปคนละทิทางกันไปเทศต่างคนก็ต่างเคารพนับถือเรื่มสายอยากจบนะบวชเนยพระปันโวกีและพระเหล่านั้นก็นําผู้ที่จะบวชมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบวชเอหีพิคุให้แล้วก็พร้อมกันก็เห็นว่าเป็นการลําบากนํามาไกลเกินไปก็ให้บวชเอ่อติสะนะนะรณะกรรมณะไก่ข้าวัดกล่าวว่านโมตัสสะเพระเขาว่าตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธสะสัต ข้าไปเจ้าขอนอบน้อมเดีย๋ยพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งนะพุทธทังสรนังคชามิทำมัง่งสั่งครั้งดูติยัมปิตติยัมปิเพียงแค่นี้ก็เป็นพระได้พอต่อมาเอกถึพอบวชเข้ามาต่างองค์ก็ต่างบวชมันบวชง่ายเห็นใครมากเอา้าวจะ บ, บวชผลที่สุดก็เลยไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เลยนะ พอขบวชเข้ามาแล้วก็ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเห็นญาติโยมที่รู้จักมักคุ้นอ้ามาบวชประพฤติพรมพะจัญญ์ผลใสุดพระบว์เข้ามาก็เลยไม่มีขนรทมเนียมประเพณีที่ดีทีเนี่ยโตโตเตะไปเรื่อยบางทีเห็นคณะสัตธายาติโยมเขานั่งทานอาหารกับครอบครัวของเขาพระไปบิณฑบาตไม่มีอาหารชูบาตเข้าไปใน สำรับกับข้าวเขาไปขอข้าวในพาวงข้าวเขาก็มีถึงคารวะญาติโยมเขาเลยตำหนิตำหนิพระเออพระสมณะสากยะบุตรเนี่ยใส่ไม่ดีเลยไม่มีมารยาทเลยทำไมเป็นอย่างนี้เลยทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายผู้มีความมักน้อยสันโดษเป็นผู้มีฮิริโอตปะได้ยินอย่างนั้นศรัท ธ, ธาญาติโยมเขาพูดนาหูขึ้นเรื่อยๆจะเลยนาทำ ปึกษาปาลบกันกนเสร็จจากนั้นก็ได้มากราบพระพุทธเจ้ามากราบฟูงพระพุทธเจ้าว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในยุคนี้สมัยนี้ทําไมหยาบขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีมารยาท พ, พระพุทธองค์ก็พ่อเหตุไรถามหาต้นเหตุเพราะมีเหตุก่อนมันต้องมีผลอย่างนั้นพระองค์ก็ถามหาต้นเหตุพอถามหาต้นเหตุก็รู้ว่าพระภิกษุเห็นใครเป็นพี่เป็นน้องเป็นพักเป็นพวก พอบางคนก็ไม่มีอยู่วิ่งกินหาเช้ากินขําลําบากกจับมาบวชมาบวชเนี่ยปีบิณฑบาตฉันโดย ม, มันมันบวชแต่ร่างกายจริงจิตใจมันไม่ได้บวช ด, ด้วยได้แต่ศีรษะล้นกับผ้าเหลืองท่านเองจิตใจไม่ได้จงใจในการที่จะบวชแต่เขาถามว่าทําไมท่านจึงบวชอา้าอาจารย์บอกให้ผมบวชผมก็บวชแต่ผมไม่อยากจะบวช อาจารบอกให้บวชก็บวชเอ้าบวชก็บวชนะโผลที่สุดก็เลยบวชเข้ามาลเลยเละๆเทะๆไปหมดเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าเลยทรงบัญญัติวินัยเนี่ยภิกษุใดก็าตามที่อยากจะให้กุลบุตรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต้องเป็นความประสงค์ของเขาเองต้องแสดงความจำนงต้องขอบวช ด, ด้วยวาจาของเขาไม่มีการบังคับก่อนที่จะบวช อย่าสอนวินัยให้แก่เขาก่อนคือให้สอนธรรมให้สอนสักจูงด้วยศรัทธาเมื่อบวชเข้ามาแล้วมีประโยชน์อย่างไงมีคุณค่ายอย่างไรแต่เมื่อบวชแล้วยังค่อยสอนวินัยแต่ที้พระบางองค์พอผู้ชิดเข้ามาบวชเนีสอนวินัยก่อนเนี่ยแตนี่อันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ผิดอันนี้นก็ผิดศินสองยี่2ิบ็ดสอนก่อนคุณระบุผู้ชึกที่จะเข้ามาบวชโอไม่ไหว ผมเข้ามาบวชผ ม, ผมคงทําอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ก็า ล, ล่าถอยไปก็มีต่างเยอะแยะอีกแต่เนี่ยพระพุทธเจ้าบวชอย่าเพิ่งสอนวินัยก่อนต้องสอนทำก่อนสอนผู้ปฏิบัติธรรมก่อนเมื่อบวชเข้ามาแล้วจึงค่อยสอนวินัยต่อภายหลังคสรุปแล้วก็คือการบวชในครั้งพุทธกาลสลับทับซ้อนพอสมควรแต่นี้พอพระพุทธองค์ให้กล่าวคําขอจากนั้นก็มี พระบางองค์ลูกหลานบางคนก็ขโมยไปบวชก็มีนี่ไม่ได้บอกพ่อบอกแม่บอกวงศาคณะญาติต่นนี้พ่อพ่อแม่ปัญหาถามหาอีกบางคนก็เป็นผู้มีหนี้มีสินหนีมาบวชอีกขโมยไปบวชอีกบางทีมีคดีความเขาเจ้าหน้าที่กำลังจะหาจับไปใส่คุกใส่ตารางหนีไปก็ไปบวชอีกอันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัย ในยุคสมัยนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอจนควรถ้าเราได้ศึกษาดูนะ น, นั้นพระราชนจึงถามพ่อแม่เจ้าอนุญาตหรือยังอนุญาโตสิมาตาปิตุหิอย่างนี้นะรัชชาอนุญาตหรือยังเจ้ามีหนี้มีสินไหมแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ให้อยู่กับครูบาอาจารย์ก่อนนะห้าปีคือให้ ใหญ่กับพ่อกอกับครูซะก่อนมันก้การจะให้ข อ, อนิ ส, สัยจากอาจารย์ซะก่อนห้าปีจากนั้นจึงเป็นนิ ส, สัยมุตตะกานิพนธ์นิสัสสยถ้าไม่ข อ, อนิ ส, สัยถา้าไม่อืดเฟื้อในการอยู่กับครูบาอาจารย์ปุกปับปวดเข้ามาแล้วกับไปเป็นคณาจารย์เฉลยอันนี้นกับพันกับปรับเอาบททุกกฎอีกเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ศึกษาขนบธรรมเนียมก่อน พอไม่ได้ศึกษากขนรรมเลยียงออกไปก็ออกนอกลูก่นอกทางอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในพระวิทย์ในเพราะฉะนั้นเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ต้องดูตํำรับตําลาแล้วกัความเป็นมาของพระสงฆ์หรืว่าศิลวิทย์ในศินลวิทยในแต่และสิกขาบทนะที่พระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อะไรมีความหมายอย่างไรเนี่เราต้องต้องดูต้องศึกษาถ้าเป็นมาอย่างนั้นเราก็ต้องเคารพ เพราะท่านรู้เห็นมาก่อนแล้วท่านถึงบัญญัติฟินไนเพราะท่านเราจะมาข้ามขั้นได้เหรอปุบปรับมาเอซหังเอซ่างพันเตพันเตชูจิระชุจิระตามหลังไปเลยผลที่สุดผู้ที่บวชก็ไม่ภาคภูมิใจเพราะเหตุไรเพราะอุปัชาถูไถให้บวชอาจารย์ถูไถให้บวชพ่อแม่ถูไถให้บวชเนี่พอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ภูมิใจในแต่ผ้าเหลืองกับศีรษะโลนแล้วจะทําอะไรก็ทำเพราะเหตุไรเพราะ มันไม่ได้กล่าวออกมาจากใจจริงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติวินัยไว้ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเคารพทำและวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้เพราะท่านประสบพบเห็นมาแล้วท่านจึงได้บัญญัติแต่ละอย่างมีเหตุซะก่อนท่านจึงบัญญัติผลตรวนี้ออกมาเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองก็มีเหตุซะก่อน เขาจึงประชุมกันแล้วก็ตั้งกฎหมายขึ้นมารักษาจุดนั้นเอาไว้เพื่อให้ชุมชนสังคมอยู่ด้วยกัน ร, ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบ ไ, ไม่มีกฎหมายคุ้มครองผลที่สุดก็การอยู่ด้วยกันก็เดือดร้อนเอารัดเอาเปรียบผู้ที่มีอำนาจเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเกินไปนี่แหละกฎหมายก็ลักศีลละวินัยของพระพุทธเจ้าก ไม่แพ้กันนะเหมือนๆกันนั่นแหละถ้าพอมีเรื่องขึ้นมาก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บางครั้งพระพุธองค์ก็ท่านมีอนาคตังสญามใช่ไหมอตีตายานใช่ไหมท่านก็เลึกหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะพระพุทธเจ้ากัจจปะกุกุชันโ ท, โทโกนะคัมโนกัจโปในเมื่อมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นท่านทําอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็เพ่งเล่งญานไปในอดีต แต่ค้างพระพระไตเจ้าองค์ก่อนจากนั้นท่านก็นยึดแนวทางนั้นมาบัญญัติวินัยอย่างนี้ก็มีในถ้าเราเห็นในพระไตรปิฎกถ้าเราได้ศึกษานะที่ท่านเอาในอดีตมาเปรียบเทียบในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นท่านว่าเป็นอริยะอริยะพุทธะเนะี่ยอริยะของท่านคล้ายๆว่าเป็นแนวแถวของพุทธะเหมือนกันครับกัแนวแถวของสาวกแนวแถวของพุทธะ ท่า น, นขอให้พวกเราที่เข้ามาบวชแล้วค่ะสรุปแล้วแตคือให้ตั้งใจนั่นแหละตั้งใจจริงเอาจริงเอา จ, งอาจังเพราะเราเข้ามาบวชในคราวนี้ไม่ใช่คิดได้ประเดียวประดาแล้วก็บวชเราต้องคิดในใจนานพอสมควรเราบวชเข้ามาคราวนี้เราบวชเพื่ออะไรเรามาศึกษาเรื่องอะไรถ้าเราใหม่ๆเราก็อาจจะไม่รู้ เราอาจจะอือบวชเข้ามาแล้วคงจะจะได้บุญทดแทนพระคุณของพ่อของแม่แต่ทีายังพอบวชเข้ามาแล้วเราก็จะต้องศึกษาในเรื่องต่างๆอีกีงความเป็นมาของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์อะไรในการบวชและภาษาวกทั้งหลายคือสาวกก็แปลว่าผู้สดับคือพระสงฆ์มาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเข้ามาแล้วควรจะทําตนอย่างไรควรจะศึกษาเรื่องอะไรก่อนอะไรหลัง จากนั้นเราก็ศึกษาพอศึกษาแล้วกนลงมือประพฤติปฏิบั ต, บติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฝังได้ศึกษาเพราะเราเข้ามาในกฎนี้เข้ามาในในระเบียบนี้เข้ามาในทํานองครองธรรมในกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มพระสงฆ์เราจะให้เหมือนคารวะไม่ได้ใช่ไหมคารวะก็คือคารวะพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ต้องอยู่ในศีลอยู่ในกฎระเบียบหนึ่งแต่อยู่ในกฎระเบียบที่เคร่งครัด เข้ามากว่ากฎระเบียบของบ้านเมืองเขากฎหมายบ้านเมืองอยู่ในระดับหนึ่งแต่กฎศีลธรรมของพระพุทธเจ้าละเอียดกว่าเหนือกว่าทําไมจึงว่าเหนือกว่าอย่างยกตัวอย่างใช่ไหมยกตัวอย่างใช่ไหมกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเขาให้ค่าหมูค่าไก่ของตัวเองที่เลี้ยงมาเนี่อยอนุญาตให้ค่าได้แล้วก็ขายได้ค่าได้แต่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ย ถึงจะเลี้ยงมากับมือของตัวเองก็ก็ตามถึงจะซื้อมาแล้วก็ตามห้ามฆ่าเด็ดขาดเพราะชีวิตของเขาเร า, าเราขออนุญาตในตัวของของสัตว์ได้ไหมเราขอฆ่าเธอได้ไหมเนี่ยมันก็คงจะไม่อนุญาตเหมือนกับเรานะ่ะถ้าว่าเอาเราหมดสภาพแนละ้วเขาเราเขาขายเราเป็นทาสไปขอเป็นทาสเขาเขาซื้อเราเป็นทาสพอไปถึงนะเอา้า เราขอฆ่าเธอได้ไหมเราอนุญาตไหมเราก็ไม่อนุญาตเพราะเหตุอะไรเรารักชีวิตของเราเยิ่ยงกว่าอื่นใดทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าท่านมองเห็นจุดนี้คือใจเขาใจเราใ น, ในั่นแหละคือศินแหละทีนี่ยละเอียดกว่ากฎหมายบ้านเมืองนะกฎหมายบ้านเมืองนะ่ยเขาวางไว้อีกแบบนึงแต่ธรรมินัยของพระพุทธเจานะ้าเนี่ยท่านอย่างลึกเข้าสู่จิตใจท่านที่บถือว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าเขา ใครก็รักถึงเขาจะเป็นหมูหมากาไกา่ถึงเขาจะเป็นคนง่อยเปียเสียขาหมูหนวกตาบอดเขาก็รักชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปทําร้ายทําลายชีวิตคนของอื่นเขาเนี่ยเลยสิ่ข้อที่หนึ่งของการพระพุทธเจ้าห้ามให้ไม่ให้ฆ่ากันจึงถือว่าพระพินัยร์ละเอียดอ่อนกว่ากฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองเขาห้ามในระดับหนึ่งแต่กฎศีลธรรมของพระพุทธเจ้าศินของพระพุทธเจ้าห้ามลงไปลึก ยังลึกถึงจิตใจของผู้คนนั้นๆใ น, น, นเรื่องนี้เราก็ต้องศึกษาขนาดศีลก็ยังลึกถึงขนาดนี้แล้วต่อไปทำถิ่แนวความคิดของพระพุทธเจ้าทานให้คิดเรื่องอะไรจึงจะถูกต้องเมื่อคิดถูกต้องแล้วการกระทำก็ถูกต้องการพูดก็ถูกต้องเพื่อายพอดเราได้รับการอบรมอบรมจิตใจเป็นธรรมะ การที่จะอบรมจิตใจให้เป็นธรรมะเนี่ยจะทำยังไงจึงจะจับจิตใจตัวนี้ตัวลุกลิกลุกลกเล่ล่อนจนมองหาตัวไม่เห็นเนี่ยให้มันอยู่นิ่งได้เพราะพทธเจ้าท่านบอกว่าให้นั่งสมาธิอย่างที่ว่านั้นเราจะจับจิตใจของเราได้เรานั่งสมาธิกำนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะท่านก็วางกรรมาฐานไว้อีกสี่สิบอย่าง สำหรับจับจับจิตจับใจตัวนี้วางกรรมฐานไว้สี่สิบอย่างอันนี้คล้ายกับว่ายาสี่สิบขนานสําหรับแก่วัด ต, ตัวนี้เหมือนกันมียาอะไรบ้างเขาก็ไล่ไปเลยยาอะไรกว่ากันไปเลยทีเพื่อจะรักษาวัดนอันนี้ก็เหมือนกันที่จะจับจิต จ, จับใจตัวนี้ให้อยู่ได้นยะทํำยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธานุสติและนึกถึงคุณของพระพทุทธเจ้า โมพุทโธพุทโธทำมาลุจจติระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนยังไงพระธรรมแปดหมพระธรรมมาขันในเมื่อเราบรรยายรู้ถึงพระธรรมคําสอนแล้วก็บอกเราควริบัติว่าธรรมโมรรมโมแล้วกัพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนท่านมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราถ้าพระสงฆ์ไม่แนะนําสั่งสอน พวกเราเราจะรู้จักบุญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รู้จักพระคุณของบิดามารดาพระคุณของผู้มีอุปการะคุณไหมพระสงฆ์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนเรีว่าสังโคสังโควริกรรมถ้าลึกถึงพระสงฆ์เมื่อเรารู้บุญคุณของพระสงฆ์แล้วเราก็ว่าสังโคสังโคสังโคถ้าลึกถึงคุณของพระสงฆ์จากนั้นกันสังฆานั้นจะมีสีรานทัศติพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องศีล สิลนี่มีคุณค่าอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์การไม่ฆ่ากันเออพระพุทธเจ้าไม่ให้ฆ่ากันถ้าคนทางไหนมีแต่คิดจะฆ่ากันเราก็คงจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะน้ำพระพุทธเจ้าไม่ให้ฆ่าสัตว์เออข้าพเจ้าเห็นด้วยข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าเขาเขาจะไม่ฆ่าเราอันนี้ก็คือถ้าลึกถึงศิลศีลานุสิตจารคานุสิตลึกถึงทานการเสียสละในเมื่อเราเป็นอยู่ อย่างพระสงฆ์เนี่ยคณะพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมขอยัยไสบัดเราก็ไม่ได้ทําการทํางานแต่อาหารการบริโภคก็เป็นไปเป็นมาได้เพราะทานของพี่น้องประชาชนเราก็คงจะทําบุญทําทานเหมือนกันกันกบเขาต่างคนต่างมีทานในจิตในใจแล้วโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นฉุกได้ถ้าคนต่างคนไม่มีการเสียสละต่อกันโลก น, นี้จะอยู่ได้อย่างไร น, นี้ทานนี่แหละ พระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงทานศีลทานและจนถึงว่าอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกมรณะนุสติระลึกถึงความตายอุปสมานุสติระลึกถึงคุณของพระนิพพานอันนี้ว่าอนุสติสิ บ, ก, สสบก็ิีลสิอีกจากนั้นก็ น, นี่ยกรรมฐานสี่สิบอย่างให้พวกเราศึกษาดูอันนี้คือพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานอันนี้คือพอประมาณ ไม่ใช่ว่าทั้ง40สิบอย่างนี้พอหมดเพียงเท่านี้ไม่ใช่ยังเหนือกว่านั้นอีกอันนี้เพียงแต่ว่าให้ปอยยาขนาดนี้ไว้ก่อนแต่ว่าใครคิดค้นยาขนาดอื่นที่ดีกว่าที่จะมารักษาวัดเนี่ยถูกกับจิตของตนเองถูกกับโรคของตัวเองก็ยังมีอีกอยู่ยาต่างประเทศเขายังมีอีกกว่างั้นแหะไม่ใช่แต่เพียงสี่สิบขนาดเท่านี้ที่จะทาให้จิตใจสงบได้ อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านวางกรรมฐานไว้สรุปแล้วก็คือให้จับใจิตใจให้หยุ่เป็นหนึ่งให้มีสติสัมปชัญญะจะเป็นกรรมฐานบทไหนก็ตามถ้าจิตบริกรรมเข้าไปแล้วจิตใจปุงฟุ้งซ่านเออละเหอยลอยลมจับไม่อยู่แสดงว่ากรรมฐานบทนั้นจังใช้ไม่ได้กับของเรา่แเหมือนกับเราเลี้ยงแมวะน่ยเลี้ยงแมวเสียอะไรก็ได้เนัันแต่ถ้าจับหนูได้มันก็ได้ มาสีแมวสีโอสีตัวนี้แมวตัวนี้สีสว่างสีสวยงามแต่มันมามีแต่นอนเหมือนกันแต่มันจับหนูไม่ได้แสดงว่าแมวตัวนั้นใช่ไม่ได้เหมือนกันแต่มันมีแต่หลุ่หลาเฉยแต่จับหนูไม่ได้เนี้ก็เหมือนกันกรรมฐานของเราเนี่ยเราจะว่าบริกรรมชั้นฟ้าชั้นฟ้าชั้นฟ้าชั้นสวรรค์ชั้นสวรรค์ก็จริงอยู่แต่มันจับจิตของเรามันไม่อยู่มันไม่อยู่เราก็เปลี่ยนกรรมฐานเลย ตายตายตายตายตายให้พอตายตายมันกลัวตายใช่ไหมกรรมฐานก็อยู่กับตัวเองถิ่นจิตใจไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่สร้างจิตใจเน่งสงบมรณะนุสติระลึกถึงความตายตายตายตายหายใจหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายตายตายหายใจกอดหายใจเข้ากอตายหายใจออกกอตายหายใจเข้ากอตายหายใจออกกอตายหลวงปู่ลาท่านให้ให้บริกรรมว่า หายใจเข้าเกิดหายใจออกดับเกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ด บ, ด บ, ดบคนเราก็เกิดมาแล้วก็ตายเกิดตายเกิดตายเกิดมาแล้วก็ตายไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายได้พอเราเลิกถึงตุณิจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งไม่ปูงไม่ฟุง้งไม่คิดไปทางอื่นอันนี้ก็คือกรรมฐานชั้นเยี่ยมล่ะเพราะฉนั้นเรื่องกรรมฐานหลายๆอย่างพวกเราอย่าสับสนนะ อย่างพวกจุ๊บนอพองนอบางอานาปานสติบังบางองค์ก่อนกาหนดจิตกําหนดใจบางชุดแท้แต่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยคือแมวหลายตัวไม่รู้ว่าสีไหนตัสีไหนสีดาวสีขาวสีสมพูสีสว่างสีลายสีอะไรสีดาอะไรก็ตามที่จะมาจับหุงคือจับสติเนี่ยให้อยู่เป็นหนึ่งถ้าเป็นสีอะไรก็ได้ถ้าจับเข้าไปแล้วใจของเราอ่อนน้อม จิตของของเราอยู่แต่หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่ต่างๆท่านสอนอาณาปานัติเน่เกือบถูกกับทุกจริตทันว่าอาณาปานัติเนา่าเกือบถูกกับทุกจริตเนี่ยอาณาปานัติคือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจเออกเนี่ยแหละคืออาณาปานาตัติเกือบถูกกับทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะเกือบเหมือเนเด้ เกือบถูกกับทุกจริตคือโท่สะจริตโมหจริตาค้าจริตเนี่ยแต่ว่าจริตเมือนกันแต่อันนี้ก็คือให้บริกรรมถ้าหากว่าจะทำจิตให้สงบแล้วให้บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้กรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านได้ทำมาแล้วในยุคนี้สมัยนี้ท่านก็บอกแนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์ของพวกเราอันนี้ให้กรรมฐานในเน้อนะ ถ้าว่าใครอยากจะทำจิตให้สงบให้จับจิตให้ยึดกรรมฐานหายหายใจเข้าพดหายใจออกโทที่ปลายจมกูกลมกระทบที่ไหนให้เอาสติอยู่ที่นั่นเวลาหายใจเข้าทำยังไงบางคนก็ไม่เคยหายใจไม่เคยภาวนาใช่ไหมละ่ะมันรู้จะจับที่ไหนเราก็ทดลองหายใจแรงๆดูนะหายใจเฟื่ อ, เเ อ, อ, อเํเข้าแรงหายใจพูดออกแรงเข้าแรงๆออกแรง สักห้าหกเจ็ดปด้าสิบครั้งเนี่ยเราจะรู้ได้โอ้ลมกระทบที่ปลายจมูกจริงๆวะ่ะจากนั้นก็ค่อยผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงผ่อนลงจากนั้นสติของเราก็จะจับได้แล้วแต่พอลมหายใจเขาก็เย็นเชื่อพดเวลาหายใจ อ, ยออกโธไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องนะแล้วก็ไม่ต้องตามลมออกมาอีกให้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นละ่ะเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูประตูศาลาของเราเย คนเข้ามาเราก็ยืนอยู่ข้างประตูเอารถคนเข้าไปเราไม่ต้องตามคนมันไปนั่งที่ไหนนั่งอยู่ที่ตรงไหนเราไม่ต้องดูมันเข้าไปแล้วก็คือคนเข้ามาแล้วก็คนลงไปเราก็ไม่ต้องตามคนลงไปมไปอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราไม่ต้องตามเรารู้แต่ว่าคนขึ้นมาศาลาแล้วก็ลงคนออกไปเพราะเรายืนอยู่ข้างประตูนี่ก็เหมือนกันเรากําหนดลมหายใจเข้าเมื่อลมหายใจเข้าโรคกบริธีการว่าพุ เวลาหายใจออกเราบอกกบริกรรมว่าโทรให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกนั่นนะเราไม่ต้องตามลมเข้าไปหรือไม่ไม่ต้องตามลมออกมาอันนี้เราเอาเพียงแค่นี้ก่อนถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแต่มันก็เผล่นะมันเผลอแล้วก็ดึงกลับเมื่อมาอกีกมันเผลอก็กลับมาอกีกเหมือนกับเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างนั้นนะเราเอาควายมาแล้วก่อ เอวัวมาแล้วกมามัดใส่ต้นไม้มามัดกับหลักนะ่ะพุทโธพุทโธเนะี่ยมันมัดกับลมหายใจเขาออกนะใช่ไหมป่านี้เราก็ลืมลืมไปวัวของเราก็ออกไปแล้วถึออกไปหากินไปหากินโอมันไปเลยเอากับมามมัดอีกมามัดใส่ลักอีกพ อ, กอพุทโธพุทโธอีกพอมันมันก็ออกไปเองดึง ม, มาเองมามัดใส่อีกแต่ในถ้าหาว่าเรา เราใส่ใจเอาทําไมมันบัวตอนนี้มันออกไปบ่อยนักเลเราก็จ้องมันทีนี้เวลาวัวมจะกระดูกกระดิกเราก็จับเชือกไว้แล้วงานได้วัวในสุดมันก็นิ่งได้ทีนี้เพราะเราใส่ใจมันอยู่เลยพราะมันจะกระดูกกระดิกมันจะรู้อืวนใจมันจะเคลื่อนแล้วนั่นเ่ยใจมันจะออกแล้วนะเนี่ยเราก็รู้ได้นั่นแหละมันสติของเรามันเข้มแข็งถึงขนาดนั้นแ่ละตอนี้จิตใจก็นิ่งเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจสงบ อันดับแรกมันจะคล้ายๆว่ามันจะเย็นว่าเข้ามาในใจซะก่อนนะอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิอันนี้ก็คือบอกวิธีการแต่พวกเราจะไปขาดหมายหวังขาดหมายนะว่าหรือไม่วา่าต้องว่าแต่ลุงพ่อพูดให้ฟังเป็นเป็นตุกตาให้ฟังเท่า น, นั้นเองนะอันนี้คือวิธีจิตมันจะสงบครั้งแรกนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่บางคนอาจจะมีเหมือนตกเขวตกบอกระ ม, ม, มีมันมีหลายๆอย่างนะแต่เราไม่ต้องกลัวทั้งนั้นแนะ่ะแต่บางทีมันก็เย็นว่าเข้ามา เพียงขณะเดียวเท่านั้นเราจะจําไม่ลืมนะโอ้โหจิตใจของเราเพียงแต่เข้ามาเพียงบาปเตี้ยเท่านั้นะจิตใจของเราเย็นสบายมีความสุขมากจําไม่ลืมบางงานเนี่เพียงคณิกะเท่านั้นเองจากนั้นก็เราก็พยายามไม่ต้องเอามันเป็นมาแล้วอย่าเอามาคิดอีกนะปล่อยไปเลยตรงนั้นไม่ต้องนํามาคิดอีกแล้วก็ภาวานาเอาเหตุให้มันเพียงพออย่างที่ว่าแหละเราต้องดูเหมือนกับ วัวมันจะออกไปเราจะปรึงมามัดใส่หลักเราไม่ให้มันกระดุกกริกจากนั้นมาพอเรามีสติขึ้นมาถึงมันวัวแต่ั้นมันจะไปที่ไหนเราก็เหมือนกับขี่หลังวัวไปเลยถึงมันจะให้มันกินหญ้าจะให้มันกินน้ําจะให้มันทําอะไรเราก็อยู่กับหลังวัวเลยทนีงคือสติสัมปชัญญะอยู่กับจิตใจถึงจิตใจมันก็อยู่ในกรอบของสติใจของเราไม่ออกนอกหลู่นอกทางเลยถึง ใจของเราก็อยู่ในอยู่กับหลังวัวตัว น, นั้นแล้วงั้นเถอะมันจะไปทางไหนเราก็รู้หมดถึงรวมจะกินอะไรมันจะกินหญ้ามันจะกินข้าวของเขาแล้วมันจะเดินออกนอกลูกนอกทางเราก็มีสติสัมปชัญญะอันนี้ลักษณนะนในอุปจารสมาธิจิตใจจุดนี้ก็สบายนะพอเราเราสติของเราอยู่กับอยู่กับใจเทนั้นะอันนี้ก็คืออุปจารสมาธิจากนั้นพอจากนั้นเรากําหนดให้อีก บัวตอนนั้นมันนอนหลับเลยนะจะอันนิ่งสติกับกจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะสติกับกจิตเหมือนกับสติของเราก็อยู่กับบัวบัวก็อยู่กับสติอยู่ที่อันเดียวกันเหมือนกันนะนี่แหละอันนี้ไปลว่าจิตรวมจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิอันนี้ว่าเป็นความสุขนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนยะ ใ น, นจิตที่เป็นอปปนาสมาธินะ่ะจิตนิ่งจิตเป็นนึ่งเราจะรู้ได้โดยตนเองอีกต่างหากในจุดนั้นนะเออที่พระพุทธเจ้าที่ท่านว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนือร่างกายของคนเราเนี่ยมันตายแน่ แ, นแต่จิตใจคือนามธรรมาตัวเนี้ยตัวอาศัยร่างกายเนี่ยมันเป็นรวมกันไปแล้วมันเป็นหนึ่งแล้วนีโอ้ตัวนี้ไม่ตายนะดูแล้วมันมันเด่นชัดเลอเกิดในความรู้สึกของเรา ตัวนี้เราจะไปพาไปเกิดในพบภูมิต่างๆถ้าเราำทําทํากรรมชั่วกรรมชั่วที่นั่นมันจะม า, มาเข้าสู่จิตใจดวงเนี้มันจะไปตกนรกหมกไหมไปเป็นเปรตเป็นผีไปเป็นอะไรได้ทั้งหมดแต่เมื่อเราเอาคุณงามความดีเข้ามาสู่จิตใจตัวนี้แหละไปสู่สวรรค์ได้ไปเป็นพรหมได้แต่ร่างกายนี่แตกตายสลายแน่นอนเนี่มันจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตของเราเข้าสู่เป็นอัปปนาสมาธิในจุดนั้น แต่ก็ยังไม่ไม่ถึงเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นนะที่พูดให้ฟังนะีอันนี้คือขั้นสมาธิแต่นอกเหนือกว่านั้นยังมีอีกถึงเดินปัญญาอีกทนี้ออกจากพอจิตสงบแล้วมันจะมีสงบเข้าไปในชั่วระยะหนึ่งบางทีก็ได้นานถ้าว่าเราชํชนานิชชานาญในการเข้าสมาธิเราจะเข้าได้ง่ได้นานแต่บางคนก็เข้าได้ประเดียวประดา้าบางทีก็ไม่ได้นาน ห, าหน้านาทีส0บนาทีบางทีที่ 20- 30, ่สที่สานาทีก็สุดแท้แต่ แต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจให้มันสงบให้มันพักผ่อนด้า น, นั้นพอยจากนั้นก็เดินออกมาก็เดินวิปัชนาปัญญาอะไรตัวน้ต้องศึกษาตัวนี้ก็ไปฟังจากครูบาอาจารย์ท่านวิธีการเดินวิปัชนาเดินอย่างไรั้อันที่พูดให้ฟังทั้งทั้งหมดที่ผ่านๆมาน่ะอันนั้นคือสมัะคือทาจิตใจให้สงบให้เป็นหนึ่งต่ ว, วาสมาธิก็ใช่จากนั้นก็ให้เดินปัญญาดเดินปัญญาวิปัชนา นี่แหะวิธีการประพฤติปฏิบัติขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้คือแนวทางสําหรับพวกเราจะปฏิบัติหรือภาวนาเอายังไงตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ศีลเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทาั้งหลายเรื่องสมาธิเป็นยังไงวิธีการทําสมาธิทํำยังไงเรื่องศีล ที่หลวงพ่อได้พูดเรื่องศินเป็นเบื้องต้นเราเข้ามาบวชแล้วนะสิลของเราเนะมันละเอียดกว่ากฎหมายบ้านเมืองอย่างที่มาให้ค่าสัตว์อย่างเนี้ยสินของพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านไม่ให้ค่าแต่กฎหมายบ้านเมืองเขาว่าค่าได้ถ้าเราเลี้ยงหมาเราได้รับอนุญาตเราได้เสียภาษีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเราได้รับอนุญาตจากเจ้าของวิญญาณใ้อย่างเจ้าของ วิญญาณของสัตว์อะอย่างถ้าคนรู้ภาษาเนี่ยถ้าเราจะฆ่าคนเนี่ยเราได้รับอนุญาตเจ้าอนุญาตให้ค่อยฆ่าเจ้าไหมเนี่ยมันก็คงจะไม่อนุญาตนะพรอรักชีวิตนะ่ะนี่พระพุทธเจ้าท่านคิดถึงจุดนี้ทำไมอย่าฆ่ากันนะเพราะนั้นเรื่องศิลปและวิ น, ยนัยละเอียดกว่ากฎหมายบ้านเมืองแต่กฎหมายบ้านเมืองในระดับหนึ่งแต่จะมาพูดถึงเรื่องทานการเสียสละ มีคุณค่า ย, ยัางไรเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาจะทำยังไงเนี่ ย, ย, ร เ, ยเรื่องภาวนาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนี่แหละจะเอากรรมฐานไหนจับจิตจับใจดวงนี้ให้อยู่นิ่งได้จะใช้แมวตัวไหนกรรมฐานสี่สิบอย่างนั้นแนหะนอกเหนือจากนั้นไปอีกจะทำยังไงจิตใจของเราจะสงบวิธีการกำหนดกาหนดอย่างไรหลวงปู่มั่นให้ภาวนาพุโทโธ ลมหายใจเข้าออกกันอันนี้คือกรรมฐานแต่เราจะเอากรรมฐานไหนก็ได้อย่างที่ว่านั้นแต่นี่หลวงปู่มั่นเพียงแต่ว่ายกประเด็นหนึ่งให้พวกเรามาภาวนาแล้วจะทํายังไงใจของเราจริงจะสงบเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วเราจะรู้เห็นยังไงหลวงพ่อจิตใจสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจนั้นคนละอันกันนะ พูดอย่างนั้นได้ชัดเจนเลยนะตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูนะไม่ต้องถามใครนะ ร, รู้ได้ด้วยตนเองเลยจุดนั้นนะจากนั้นค่อยเดินในศึกษาเรื่องวิปัสสนาอะไรกันเนี่ยเดินยังไงเดินวิปัสสนาที่จะชำระจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไปได้นะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมตนาให้พร